การแยกประเภทของความรู้ในยะที่สองชุดขอจำแนกโดยทางรับรู้กล่าวตามพุทธธรรมผัสสะเป็นแหล่งแห่งความรู้ความรู้ทั้งหมดทุกอย่างทุกประเภทเกิดจากผัสสะหรือเกิดขึ้นที่ผัสสะคืออาศัยการรับรู้โดยผ่านอายตนะหรือแดนรับรู้ทั้ง6หรือเรียกง่ายๆว่า ผ่านตวานันหรือทางรับรู้ทั้งหกคือจกักรุโสตะคานะชิวหากายมโนหรือเรียกง่ายๆว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจดังอธิบายแล้วข้างต้นที่ว่าผัสสะเป็นแหล่งแห่งความรู้ทั้งหลายนั้นระวังไม่พึงสับสนกับความหมายของผัสสะที่ใช้ในบาหลีเดิมกับความหมายที่นามาใช้บางแห่งในสมัยปัจจุบันด้วย อย่างไรก็ตามถ้าถืออย่างเคร่งครัดผัสสะไม่เป็นปัจจัยของความรู้ที่เรียกว่าวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นองค์ประกอบร่วมในการเกิดผัสสะดังนั้นในบาลีจึงไม่กล่าวว่าผัสสะเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณขันแต่กล่าวว่านามรูปเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณขันกระนั้นก็ดีถ้อยคําภาษาไทยว่าผัสสะเป็นแหล่งของความรู้ทั้งหมด ก็นับว่าถูกต้องเพราะคำว่าแหล่งกลุ่มความหมายทั้งในแง่เป็นต้นเหตุและเป็นที่รวมถ้าถืออายตนะหรือทวารเป็นหลักโดยฐานเป็นต้นทางของการรับรู้ก็สามารถจัดกลุ่มความรู้ได้เป็นสองประเภทคือ1ความรู้ที่ได้ทางปัญจทวารหรือเบญจทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายได้แก่ความรู้ชั้นต้นหลายอย่าง คือความรู้รูปสีเสียงกลิ่นรสและโภตาภะสิ่งต้องกายทั้งหลายโภตาภะแปลว่าสิ่งต้องกายทั้งหลายซึ่งสรุปลงได้ในปัทวีสภาวะแค่นแข็งเตโชวความร้อนหรืออุณหภูมิและวายโยความสั่นไหวเคลื่อนและเคร่งตึงกลุ่มความรู้ที่แบ่งตามต้นทางของการรับรู้ประเภทที่สอง ความรู้ที่ได้ทางมโนทวารคือใจได้แก่ธรมมารมหรือเรียกสั้นๆว่าธรรมกล่าวคือสิ่งทั้งหลายที่ใจรู้ที่ใจคิดธรรมารมหรือธรรมนี้ว่าตามแนวอภิธรรมท่านแยกแยะให้เห็นชัดขึ้นอีกว่ามีห้าอย่างคือหนึ่งเวทนาขันหมายถึงเวทนาในฐานะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ ข้อต่อไปก็พึงเข้าใจเช่นเดียวกัน 2. สัญญาขัน 3. สังขารขัน 4. อนิทัศนะอัปปติกะรูปรูปที่เห็นไม่ได้กระทบหรือถูกต้องไม่ได้อันนับเนื่องในธรรมายตนะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุขุมรูปมี16อย่างคืออาโปรหรืออาโปธาตุคือสภาวะดึงดูดซึมซาบ อิทธีภาวะความเป็นหญิงปุริสภาวะความเป็นชายหัตยรูปที่ตั้งแห่งใจชีวิตินทรสีอาหารารูปหมายถึงโอชาอากาศคืออวกาศหรือช่องว่างกายวิ ญ, ญัตการสื่อความหมายด้วยกายวจีวิญยตการสื่อความหมายด้วยวาจาวิการรูปสาม คือละหูตาความเบามุทุตาความอ่อนนุ่มกัมมัญญาตาความควรแก่งานและลักษณะรูปสี่คืออุปัจยะความก่อตัวหรือเติบขึ้นสันตติความสืบต่อชรตาความสุดโทมอนิจจตาความแปรสลายธรรมารมอย่างสุดท้ายอย่างที่ห้าคือ อสังคตาธาตุคือนิพานคำพีอภิธรรมชั้นหลังคือในคำพีอภิธรรมมัตสังหะประสงค์จะให้เข้าใจง่ายและละเอียดยิ่งขึ้นได้จัดแบ่งธรรมารมคือสิ่งที่เป็นความรู้ทางใจนี้อีกแบบหนึ่งโดยจำแนกเป็นหกอย่างคือ 1. ประสาษาทะหรือประสาตั้งหคือความใสหรือความไว ที่เป็นตัวสื่อรับรู้ของตาหูจมูกลิ้นและกาย 2. ส, สุขุมรูป16ที่กล่าวแล้วในข้อสของชุดก่อน 3. จิต 4. เจตสิกตรงกับเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันในชุดก่อน 5. นิพพาน 6. บัญญัติคือคำเรียกขานชื่อเรียกคำกำหนดที่วางไว้ เช่นชื่อเรียกว่าพื้นดินภูเขารถคนทิศเหนือทิศใต้หลุมบ่อเกาะแหลมเป็นต้นซึ่งตัวจริงของสิ่งที่มันหยัดเรียกนั้นเป็นของมีจริงก็มีไม่มีอยู่จริงก็มีแต่จะมีหรือไม่มีก็ตามคํามันญยัดนั้นก็เป็นกาลวินิมุดคือไม่ขึ้นต่อการและไม่พินาศเช่น ช่องว่างที่ลึกลงไปในแผ่นดินเราเรียกว่าหลุมช่องเช่นนั้นมีที่ไหนเมื่อใดก็เรียกว่าหลุมคงที่เสมอไปแต่หลุมต่างหากจากช่องในแผ่นดินหามีไม่และหลุมเองทุกๆหลุมย่อมตื้นเขินย่อมพังย่อมเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นอื่นได้หรือเช่นสิ่งที่เรียกว่าสัญญาย่อมเกิดดับเสื่อมสลายไป แต่บัญญัติว่าสัญญาหาเสื่อมสลายไม่เพราะสิ่งที่มีภาวะเช่นนั้นเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อใดก็เรียกว่าสัญญาเสมอไปถ้าได้ตกลงไว้อย่างนั้นหรือเช่นสิ่งที่เป็นร่างกายย่อมสุดโทมแตกสลายได้แต่บัญญัติว่ากายย่อมคงที่ของอย่างนั้นเกิดที่ไหนพบที่ไหนก็เรียกอย่างนั้นตามบัญญัติผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องบัญญัตินี้อาจงงหรือสับสน เมื่อได้ฟังคำว่าเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงเป็นตน้นโดยจับไม่ถูกว่าเนื้อตัวของเวทนาและสัญญาไม่เที่ยงหรือบัญญัติของเวทนาและสัญญาไม่เที่ยง